ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีพุทธพทธ์โลกานตนรกมีแต่ความทุกข์มืดคลุ้มเป็นหมอกมัวสัตว์ในโลกานตนรกนั้นไม่ได้รับรัษมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากถึงขนาดนี้แต่ความมืดอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดแห่งโลกานตนรกนั้นมีอยู่คือความไม่รู้ตามจริงว่า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 พระเจ้าจากักรพรรดิซึ่งเสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิปดีในทวีปทั้งสี่นั้นเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือได้ไปอุบัติในหมู่เทพชั้นดาวดึงถท้าเธอแวดล้อมไปด้วยหมู่นางเทพอักษรเอิบอิ่มเพราะความพร่างพร้อมไปด้วยเครื่องบำเรือกรรมาคุณทั้งห้าประการอันเป็นทิพย์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 เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนไม่จํากัดการ 3. เลื่อมใสไม่หวนไหวว่าพระสงค์ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้าสอนก็จะเป็นผู้ไปดีถึงธทมอันวิเศษคือมรรคผลถึงที่สุดทุกเป็นพระอระหันตะขีนาศได้ 4. เป็นผู้หนักแน่นในศีล ไม่ขาดทะลุไม่ด่างพร้อยข้อความจากโสตาปฏิสังยุตเวรุทวารวั์ที่หนึ่งราชาสูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์พวกเราเป็นจิตวิญญาณที่หลำหลับตื่นตื่นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนกรรมแต่ไม่เปลี่ยนอุ ป, ปาทานว่ามีตัวเรา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 นั่นเป็นธรรมดาของผู้เห็นอยู่ว่ากายใจไม่ใช่ตัวของตนใจย่อมผลักออกใจย่อมทวนกระแสไม่ยินดีไหลาตามอำนาจดึงดูดของกิเลสอันตั้งอยู่ในกายใจไปก่อ ก, กรรมชั่วเมื่อไม่เอาบาปอันเกิดแต่การละเมื่อศีลห้าประการแล้วจะเอาประตูนรกมาแต่ไหนเล่าการเจริญสติที่เริ่มได้ผล